แนะนำบทซะบะบทซะบะเป็นบทมักกียะห์มี 54 องค์การบทนี้เริ่มด้วยการเทิดทูนถวายพระเกียรติแด่อัลเลาะห์ซึ่งพระองค์ทรงให้สิ่งที่ทรงบังเกิดทั้งหลายมีความสมบูรณ์ทรงทําให้กิจการทั้งหลายของโลกนี้เป็นไปอย่างรัดกุมทรงจัดเตรียมจักรวาลด้วยความปรีชาญาณของพระองค์สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีจํานวนแม้เท่าปรมาณูอง 1 ปรากฏอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดิน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 ปรโลกนั้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากความพินาศของสรรพสิ่งทั้งหลายบทนี้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆของบรรดารอซูลโดยกล่าวถึงนบีดาวูดและบุตรชายของท่านนบีซุไลมานที่เราทรงประทานความโปรดปรานนานาชนิดให้แก่ท่านทั้งสองเช่นการทําให้ยินเป็นประโยชน์แก่ซุไลมานการทําให้นกและภูเขากล่าวสลูดีพร้อมกับนบีดาวูด ทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ทรงประทานแก่นบีทั้งสองนอกจากนั้นบทนี้ยังได้กล่าวถึงการสงสัยบางประการของพวกบูชาจะเว็ดเกี่ยวกับศาสนของนบีและรอซูลคนสุดท้ายโดยได้ตอบโต้ข้อสงสัยเหล่านั้นด้วยหลักฐานที่ชัดแจ้งนอกจากนั้นยังได้นําหลักฐานมายืนยันถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์อีกด้วย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 ละนิทัศน์อุทาหรณ์อันมีค่ายิ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของเราผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัฎดิวะละฮุลฮัมดูฟิลอาคิเราะฮูวะฮวัลฮะกีมุลคอบีดการสนับสนุนเป็นของอัลเลาะห์ سن الشيء الذي في البنداء شان فاء و الشيء الذي في แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และการสรรเสริญในพระโลกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบหูยิ่ง ยعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور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 لا يعزب عنهم مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين لبنا ผู้ปฏิเสธธรรมทากล่าวว่าวันโลกอวสานนั้นจะไม่มาถึงพวกเราดอกจงกล่าวเทิดมูฮัมหมัด वह हां ไม่ได้ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งพ้นอย่างวิสัยมันจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าอย่างแน่ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ فديพระองค์จะทรงตอบแทนกับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมีเกียรติ اولذين سعوا في اياتنا معاجزين اولائك لهم عذاب من ريجز اليم